มีอะไรทาง Facebook ะไรอย่างนี้ม yeah> ีครับบาคนเลยผมได้มาใครถามเลยไหมครับไม่ใครอยากจะถามอะไรไหมไม่มีเป็นยังไงอาลูกมาครับก็จะกลับอาทิตนี้แล้วครับาช่วงวิเทิลเบรคครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนก็ที่วูสเตอร์วูสเตอร์ที่บอสตันนะบอสตันแมสซาชูเซตเลยครับเรียนอะไรวิศวะครับ ปีปีหนึ่งอปีสองครับปีสองจบนี้ก็จะขึ้นปีสามแล้วเลยก็กำลังจะดูอยู่ว่าจะขึ้นปีสามเลยหรือว่าจะหางานทำก่อนอ๋อพักได้เลยมีมันเป็นโปรแกรมของเมียนเขาครับว่าให้มีทำงานปีหนึ่งครับอทำในช่วงซัมเมอร์แล้วทำทำทั้งปีเลยทำหกเดือนครับ6เดือนอเป็นครั เ ร, ร, ร, รับอืแล้ววิศวะค่ายเป็นทําอะไรอะไปไปทำงานที่ไม่เกี่ยวกับวิศวะเนละยเพราะเร า, ย, ายังเรียนไม่จบ ว, วิศวะเนกะ็เป็นประมาณว่าตอนเรียนไปทําไปครับเขาก็ให้อะไรที่ง่ายๆไปก่อนงานแบบอาสาสมัครอะไรรืองานตามโรงงานไม่ตามก็ตามตามประมาณตามโรงงาน เออเขาก็จ่ายให้ไปฝึกงานอย่างนี้เลยครับฝึกงานแล้วก็จ่ายให้ด้วยอ่เพราะปีสองมันยังไม่มีความรู้ทางวิศวะเลยฮะยังยังเรียนแต่พวกอืมก็พวกเพลียเอนจิเนียร์เรียนพวกเคมีคาลเกลตฟิสิกสตติกไดนามิกผมจะเน้นไปด้านของคครรัับบอ พอได้ครับอได้ครับเป็นคอมพิวเตอร์ไซน์ครับคอมพิวเตอร์ไซน์ครับโรบอติกสครับแล้วพี่ชายจบแล้วอไงพี่ชายยังยังอยู่อาจจะกลับช่วงซัมเมอร์ครับช่วงนี้เขาอยู่ที่ไอซ์แลนดครับปีสุดท้ายแล้วยังแค่บพึ่งปีสามครับเป็นปีสามเขาแต่ละคนนี้แก็ปเบียเป็นคนละปีครับอืมเอาก็เลยไม่สวะเหมือนกันนะ คนนั้นจะอีคอนมิกส์ครับอาแล้วเป็นไงพ่อแม่สบายใจไหมก็ <c oughs> อยากจะให้รีบจมฮะงี้ได้รีบกลับบ้าน <c oughs> เพราะอเมริกานี่เรื่องเล่าเยอะเกินวันก่อนก็ัก์จนไปห้าศพที่ฟลอริด้าวันเรามันจะตายที่ไหนก็ตายได้เงั้บ <c oughs> ที่เมืองไทยก็หลายศพเนี่ยสมการยิงสามร้อยกว่าศพยังก็ละมัดระวังไม่มีสติ ก็จะปลอดภัยหรือถ้าถ้าถึงคราวมันก็ช่วยไม่ได้ชีวิตของเรานี่มันไม่มีใครที่จะกําหนดตายตัวได้แต่จะช่วยได้ก็ครึ่งหนึ่งก็คือถ้ามีสติสตางค์มีมีปัญญาก็ให้รู้จักหลีกเลี่ยงสถานที่มันอันตรายแล้วทำอะไรก็ให้มีความระมัดระวังรอบคอบมันก็ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงไปได้ครึ่งหนึ่ง แต่อขึ้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องสุดวิสัยมันเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้เราระมัดระวังแต่คนขับรถสวนมาไม่ะระวังมันเมามันก็วิ่งชนเราไดา้เราก็ต้องทำใจแล้วเอาธรรมะอุตตรเจ้ามาสอนแล้วเราจะไม่เครียดว่าเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ที่ตายก็ไม่ใช่เรา ที่ตานี่ก็เป็นเพียงคนรับใช้เราร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเราเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราก็ไปต่อไปตามบุญตามบาป ท, ที่เราทําไว้เราจะได้ไม่เครียดมากจนเกินไปถ้าอยากจะให้ไม่เครียดเลยก็อย่า ก, กลับมาเกิดเลยจะไม่กลับมาเกิดก็ไปบวชกันมาบวชแล้วก็มานั่งสมาธิมาหยุดความอยากกัน หยุดความอยากแล้วมันก็ไม่มันก็ไม่ไปไหนนะอยู่ในป่ามันตายยากแนตะ่ก็ตายเหมือนกันแต่มันตายช้าหน่อยนะ้องปู่น้องตาท่านอยู่เก้าสิบปว่าปีถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดไม่อยากจะมาแก่มาเจ็บมาตายก็อย่า ก, กลับมาเกิดาตามได้ยังมีการเกิดอยู่ตามนั้นก็ยังมีการตายอยู่ งัเมื่อเกิดแล้วก็ยอมยอมยอมรับความจริงรับว่าเราต้องตายแล้วจะตายเมื่อไหร่มันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยเราไม่สามารถที่จะไปกาหนดได้แต่เราก็สามารถประครับประคองมันได้ไปในระดับนในส่วนที่เป็นหน้าที่ของเราเช่นดูแลร่างกายเราให้ดีพักผ่อนหลับนอนให้พอกินอาหารที่เป็นประโยชน์ อย่าเอาของที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายเข้ามาเช่นสารเสพติดยาเสพติดต่างๆสุรายาม า, มาของพวกนี้มอนก็เราหลีกเรี่ยงได้เราห้ามมันได้ <c oughs> <c oughs> ก็ส่วนที่เราทำได้ก็ทำไปส่วนที่เราทำไม่ได้ก็ต้องทำใจ <c oughs> งั้นเราจะอยู่อย่างมีความเครียดอยู่ยังไม่มีความสุข หลายคนเราส่วนใหญ่มักจะไม่มีเวลามาคิดถึงเรื่องเหล่านี้เขาก็เลยไม่ทขาคิดว่าไม่ตายกันทั้งนั้นใช่ไหมเวลาทํางานทําการมามันเคยคิดถึงความตายมไม่ค่อยคิดเลยคิดว่าจะอยู่ทํางานกันนี้ไปจนจนแก่ตายอแต่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่ตายวันนี้จะแก่ตายกันทุกคนก็เอาหนังสือธรรมะไปอ่านดูนะ จะได้มีอะไรคอยเตือนใจบ้างสอนใจดับความทุกข์ใจได้เวลาใจเราวุ่นวายใจเราเครียดจะอะไรมีความทุกข์สามารถเอาธรรมะของพระเจ้ามาดับได้ถึงแม้ว่าจะยังดับไม่ได้อย่างท้าววอนก็ดับได้เป็นพักๆไปเวลาเครียดกับเรื่องอะไรถ้ามีธรรมะธรรมะก็จะสอนให้เราปล่อยวาง ถ้าทําอะไรไม่ได้ก็อย่าไปคิดถึงมันพุโทโธพุโทโธไปคิดแล้วก็ไปทําอะไรไม่ได้แต่แก้ปัญหาไม่ได้คิดไปก็เครียดไปเปล่าๆก็อย่าไปคิดมันดีกว่าหรือจะคิดก็คิดว่าอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างมากก็แค่ตายเออคิดอย่างนี้มันก็หายเคยรียดมาสอบถามเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัตินะครับผมทำไมเลย ถ้าพระบวชใหม่ต้องไปติดต่อที่ข้างล่างข้างบนนี้เราไม่ไม่รับพระบวชใหม่อ๋อเอมาสอบถามเกี่ยวกับความถูกต้องนะครับผมจริงๆพี่ยังไม่ได้บวชนะครับผมอาจจะคล้ายๆสนธนาธรรมต่ออยากจะรู้ว่าพระปฏิบัติอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ขอหาข้อที่ถูกเองก็เดี๋ยวนี้มีในอินเทอร์เน็ตเราไปไปค้นดูก็ได้พระวินัยพระสินสอี่ส27เ็ดข้อมีอะไรบ้าง พี่ชายเขาอยากจะบวชนะเออพี่ชายมีปัญหาด้านข้อพิพาทนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> น่เยครับความจริงการมาบวชที่แท้จริงนี่ต้องบวชเพราะอยากจะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด <c oughs> แต่สมัยนี้ก็มีขอ้อมีเหตุผลอย่างอื่นมาบวชกันซึ่งนักจะบวชแล้วก็ไปไปไม่ตลอดทาง มาบวชเพื่อแก้ปัญหาส่วนตัวเมื่อปัญหาส่วนตัวหมดไปก็สึกแต่ปัญหาจริงๆยังไม่ไม่ได้มาแก้คือ ป, ปัญหาของการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการมาบวชมาบวชเพื่อยุติการเวียนว่ายตายเกิดสมัยนี้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ศึกษาถึงเป้าหมายหลักที่แท้จริง แล้วก็มีเป้าหมายลองมาเป็นเป็นเป็นตัวอย่างให้บวชกันป็นบวชเพื่อโทดแทนบุญคุณพ่อแม่ันีคามจริงการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ต้องบวชก็ได้ยังดูพ่อแม่เนี่ยก็โทดแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วแต่คนไทยเราเชื่อว่าถ้าได้บวชแล้วได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ความจริงยังไม่ได้ทดแทนอ่ะเพียงแต่ ว, ว่า เป็นการช่วยพ่อแม่ได้มีโอกาสเข้าวัดเพราะถ้าวัดลูกอยู่วัดพ่อแม่ก็ต้องมาวัดใช่ถ้าพาะถ้าลูกไม่อยู่วัดพ่อแม่ก็ไม่มาวัดนะพ่อแม่ก็จะติดงานกิดติดธุระอะไรต่างๆแต่พอลูกมาบวชนี่อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ต้องมาเยี่ยมลูกสักครั้งมาเยี่ยมมาทำบุญใส่บาตรแล้วก็พอมาทำบุญใส่บาตรก็จะได้ยินได้ฟังเทศฟังธรรมก็อาจจะได้ความรู้ แล้วอาจจะทำให้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาต่อไปที่เขาเรียกว่าเกาะชายผ้าเหลืองถ้าลูกไม่มาบวชพ่อแม่ก็ไม่มีเหตุจะมาวัดกันพ่อแม่ก็จะยุ่งกับการทำมาหากินอะไรต่างๆงนานการอย่างอื่นก็จะไม่เคยคิดจะเข้าวัดแต่พอลูกมาบวชนี่ต้องคิดถึงลูกทุกวันเหลววันเสาร์อาทิตย์ว่างก็ต้องมาวัดละพอมาวัดก็ได้เห็นกิจกรรมของทางวัด เห็นภาพบินทบาทเห็นภาพฉันได้ฟังเทศฟังธรรมเห็นเห็นการขอสีขออะไรต่างๆก็อาจจะทำให้เกิดความคิดขึ้นมาทำไมต้องทาสิ่งเหล่านี้ทำเพื่ออะไรแล้วพอสนใจศึกษาก็จะเห็นภาพชัดเจนขึ้นของชีวิตของตนว่าชีวิตของเราไม่ได้อยู่แค่การหาเงินหาทองกินอยู่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปจนวันตายเท่านั้นเพราะชีวิตเรายาวกว่านั้น คนส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้เข้าหาศาสนานี่จะคิดว่าชีวิตเราอยู่แค่เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็จบใช่ไหมงั้นระหว่างที่ยังไม่ตายนี้ต้องพยายามแสวงหาตักตวงความสุขให้ได้มากที่สุดถ้าที่จะทําได้พอเดี๋ยวตายไปแล้วจะไม่มีโอกาสนะแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วนี้ใจเขายังไม่ตายไปกับร่างกายใจเขายังต้องไปต่อจะไปดีกว่านี้แลเร็วกว่านี้ก็อยู่ที่การกระทําของเขาที่ทําอยู่ทุกวันนี้ เขาไม่รู้เขาก็เลยไม่สนใจถึงผลกระทบที่จะเกิดจากแกจิตใจเพราะเขาไม่รู้ว่ามีจิตใจเขาคิดว่าจิตใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเมื่อร่างกายตายจิตใจก็ตายทุกอย่างก็จบบาป ท, ท, ทําไว้เท่าไหร่มันก็ไม่มีผลบุญทําไว้เท่าไหร่ก็ไม่มีผลจะมีก็เฉพาะตอนที่มีชีวิตอยู่ทําความดีก็ได้รับรางวัลทําความชั่วก็ติดคุกติดตารางก็แค่นั้นแต่พอตายไปแล้วก็จบเราคิดกันอย่างนี้ แต่ความจริงมันไม่จบเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงลูกน้องเราเราใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆเพราะเราไม่มีร่างกายเราไม่มีรูปร่างเรามีแต่ความคิดความรู้เราใช้ร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆเพื่อให้เราเกิดความสุขขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ทำด้วยความไม่รู้เราก็ไปทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำให้ใจเราทุกข์มากขึ้นโดยไม่รู้สกตัว ทำให้ใจเราต้องไปรับโทษต่อไปโดยไม่รู้สึกตัวจนทำบาปแล้วเนี่ยเรายังจะตายไปนี่เราจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะต้องไปใช้บาปก่อนไปเป็นเดรัจฉานไปตกนรกก่อนแต่เรามองไม่เห็นเราไม่รู้กันแต่ถ้าเรามีโอกาสได้มาวัดได้มาฟังตอนต้นก็อาจจะไม่เชื่อแต่ฟังบ่อยๆหรือมานั่งคิดดูถ้ามันไม่เป็นจริงคนก็จะมาพูดกันทาไม มันต้องมีคนพิสูจน์แล้วก็สามารถที่จะลบล้างความความไม่จริงนี้ได้ไปนานแล้วใช่ไแต่ทำไมยังมีคนเชื่อยังมีคนพูดกันอยู่มันก็อาจจะทำให้เราเริ่มคิดกันนก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่ลูกสามารถทำให้กับพ่อแม่คือเป็นแม่เหล็กดึงพ่อแม่ให้เข้าวัดแต่ลูกเองไม่อยากจะเข้าพ่อแม่ก็พยายามจะดันให้ลูกเข้า เข้าสู่เส้นทางครับพ่อแม่บางคนเขาเข้าแล้วก็ารู้แล้วแต่อยากจะดึงลูกเข้าแต่ประโยชน์ที่ลูกจะได้ทําให้กับพ่อแม่ก็สําหรับพ่อแม่ที่ยังไม่รู้จักเส้นทางแล้วลูกมาเข้ามาในเส้นทางถึงแม้จะเป็นเพเพียงชั่วเท้าก็ต่างก็ยังพอจะดึงให้พ่อแม่เข้ามาในเส้นทางนี้ได้แล้วบางทีเข้ามาแล้วติดใจบางทีลูกเสร็จไปแล้วพ่อแม่ก็ยังเข้าอยู่ มีครอบครัวอยู่คราบครัวหนึ่งก็ไม่เคยเข้าวัดเลยพอลูกบวชก็มาวัดพอลูกศึกตอนนี้ก็ยังมาอยู่ลูกศึกไปตัง้งสี่หปีแล้วแล้วมาบ่อยขึ้นมากขึ้นปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเพราะเขาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ลองเอาไปคิดลองเอาไปปฏิบัติแล้วเขเห็นผลก็<ม> เ, เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ถึงแม้สิ่งที่ตายไปแล้วเรามองไม่เห็นแต่อย่างน้อยสิ่งที่เกิดประโยชน์ในปัจจุบันนี้ก็ทําให้เขา สามารถสรุปได้ว่าถ้าสิ่งนี้จริงสิ่งที่สิ่งอื่นที่เรายัางมองไม่เห็นมันก็น่าจะจริงเพียงแต่เรายัางไม่มีตาหรือไม่มีปัญญาที่จะเห็นกันนั้นเองแต่ถ้าเราปฏิบัติไปต่อไปต่อไปเราก็ต้องเห็นจนได้ก็เลยทำให้เกิดมีศรัทธามีความยินดีที่จะศึกษาปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปอันนี้ก็ประโยชน์ที่ลูกจะทาให้กับพ่อแม่ได้ เรียกวเป็นการทดแทนบุญคุณก็ได้แบบหนึ่งแต่ก็ยังไม่หมดบุญคุณของพ่อแม่นี้มีมากมายก่ายกองต่อให้เลี้ยงดูท่านตลอดไปจนวันตายก็ยังไม่ใช้บุญคุณไม่หมดจะหมดก็ต่อเมื่อเราสามารถทําให้ท่านหลุดพ้นจากอบายได้ให้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันอย่างพระพุทธเจ้านี้เป็นห่วงแม่แม่ตายไปแล้วยังอุตส่าห์ขึ้นไปสอนบุญสวรรค์ ไม่ใช่ร่างกายไปนะใจไปส่งกระแสจิตติดต่อกับแม่ที่อยู่ในสวรรค์ได้อยู่ในโลกทิพย์แล้วก็สอนจนแม่บรรลุเป็นพระโสดาบันไม่ต้องไปเกิดนายาบายอีกต่อไปอันนี้ก็คือความกระตันอยู่การทดแทนบุญคุณของของพ่อแม่เนี่ยพระพุทธเจ้าช่วยแม่ช่วยพ่อให้หลุดพ้นพ่อก็เลยเป็นพระอารหรันต์เลยเจ็ดวันก่อนตาย ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปบวชอยู่เป็นพระมหาจักรพรรก็จะไม่มีใครหลุดพ้นได้สักคนเดียวแม้แต่พวกเราเองก็จะไม่มีโอกาสถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีพระพุทธศาสนาอย่างที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้มาจากที่ไหนข้างหลังแนะามาจากสตหีเลยหรอเออลงมาลงมาหาพระอาจารย์ช่วงปีใหม่ วันีพี่ใหม่กลับบ้านก็เลยนิ่งค่ะคิรรดถึงวอาจารย์จะเลยมากราบสักการจำนาไม่ได้ขึ้นมานั่งวันนี้กลัวเลยวันนี้ให้คนอื่นดีกว่าอ๋อวันนี้ว่าก็เลยขึ้นมาขึ้นมากับพี่เข า, าไม่มีอะไรสงสัย <c oughs> อได้ฝึกนั่งสมาธิบ้างไหม <c oughs> ได้ <c oughs> สงบบ้างไหม ส่วนใหญก็อยู่กับการปฏิบัติเกี่ยวกับอยู่กับปัจจุบันนะคะอ่าสติเรียกเลยว่าสติแต่ไม่พอต้องนั่งต้องนั่งหลับตาด้วยถึงจะสงบถ้าไม่นั่งหลับตามันจะได้ครึ่งเดียวได้ระงับความฟุ้งซ่านแต่มันยังไม่สงบไม่นิ่งเต็มที่ถ้าอยากจะให้นิ่งเต็มที่ต้องนั่งหลับตานั่งเฉยๆหยุดทางกายทางวาจาแล้วหยุดทางใจแล้วจิตก็จะสงบเต็มที่ เราจะมีความสุขมากนี่ไปบวชมาแล้วเรียกว่าบวชมาบวชในในหลวงรอเกาด้วยค่ ะ, ะ, ะกลับมาจากอเมริกาก็มาบวชอ่าไปอยู่ที่ไหนมาอยู่ตรงรัฐรัฐมิสซูรี <Missouri. S 2> ค่ะมิสซูรีเซนรุยค่ะเซนรุยเซนอ่าอยู่ตรงเฟสัสมิสซูรีค่ะอ่าไปอยู่มานานแล้วเลย สองเดือนค่ะเพื่อไปสอเดือนไปพาสามีไปรักษาฮิตนะคะฮิสสามีเป็นชาวอรไรการกลับมาแล้วหายอะยังก็ไม่ได้พาตัดค่าหลวงพ่อแค่กายภาพค่ะเพราะว่าหมอบอกว่าทุกอย่างก็สมบูรณ์อีถ้าเกิดผ่าก็คือห้าสิบห้าสิบก็เลยไม่ผ่าก็กายภาพเอา อายุเยอะแล <g> ้วค่ะ90ปีแล้วค่ะอ๋อ90 <c oughs> แล้วอย่าไปเสี่ยงดีกว่าค่ะป <c oughs> ีคำถามทางบ้านั้ยมีครับอันนี้เข้ามาท่าไหรแล้วอ uh, ่าตอนนี้เมื่อกี้สา0ร้อย ค, ครับอันนี้เสร็สองร้อหกสิบเ็ดครับสองภาษาอังกฤษไม่ค่อยฟังค่าคำถามจะคุณป้อมนะครับ เราไม่อยากผิดศีลแต่มีคนขอร้องให้เราพูดโกหกเพราะเขาโกธกันอยู่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจเพราะไม่ทําก็เหมือนไม่ช่วยแต่ช่วยก็เป็นการโกหกถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราควรทําอย่างไรดีคะเราก็ต้องเลือกระวังเสียเพื่อนกับเสียตัวว่าอันไหนจะดีกว่ากันอันไหนจะเร็วกว่ากันถ้าเรายินดีเสียตัวเพื่อเพื่อนก็ทําไป คำถามจากคุณวิชัยนะครับคําแผ่เมตตาทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นวัตถุประสงค์เพื่อสอนจิตตัวเองให้มีเมตตาใช่หรือไม่ครับใช่ให้รู้จักว่าการแผ่เมตตาทำยังไงเช่นอเวราหงตุก็แปลว่าอย่าจองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันอัปยาปชาหงตุก็แปลว่าอย่าเบียดเบียนกันอย่าทาร้ายกันอย่าทาลายกันอันนี้ อ น, นิคาโหตุก็คือขอให้เขาพ้นให้เขามีแต่ความสุขทางกายทางใจไม่มีความทุกข์ทางกายทางใจอ น, นิคาหโหตุแล้วสุขีอตานังปอ ร, ริหารันตุขอให้เขามีความสุขนี่คือแผ่เมตตาแต่เวลาแผ่ต้องเวลาเจอกันเวลาอยู่คนเดียวไปแผ่ให้ใครเช่นเวลาเรามาพบปะกันนี่เรายิ้มใส่กันนี่ก็เรียกว่าแผ่เมตตาแล้ว ไม่ได้แยกเคี่ยวใส่กันไม่ได้หน้าบุ้งตึงใส่กันไม่ได้ด่ากันไม่ได้ว่ากันเนี่ยเรียกว่าแผ่เมตตาละมีของก็มาแจกกันโยมมีเงินก็มาแจกกันเรามีหนังสือก็แจกโยมแลกกันไปอย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาถ้าเกิดบางพู้ ม, มาทำอะไรให้เสียหายก็ไม่เป็นไรให้อภัยกันไม่ถือโทษกดเครื่องกัน แต่คนเราเข้าใจผิดแคดว่าการแผ่เมตตาต้องแผ่แบบลึกลับแบบไม่มีใครรับแล้วมันจะไปของมันเองไปเหมือนกับส่งกระยายกระจายเสียงเหมือนกับถ่ายทอดสดอันี้มั้งถ่ายทอดสดแล้วมันจะไปทั่วโลกเลยมันไม่ใช่หรอกการแผ่เมตตานี้มันแผ่เฉพาะเวลาที่เราพบปะกับมนุษย์หรือสัตว์หรือเทวดาถ้าพบกับเทวดาก็แผ่ให้เทวดาได้ แต่เราไ ม, เไม่เคยพบเทวดาเราจะไปแผ่ได้ยงไงไม่ว่าเราพบกับใครก็ตามตยางมีเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งตอนที่เขามาบุกเบิกสร้างสถานปฏิบัติบนเขาเนี่ยมีพระอาจารย์ท่านเป็นคนนำพญาเย็นมาสร้างศาลามาสร้างกระถอบ แล้วท่านก็มานั่งสมาธิท่านบอกคืนแรกท่านมานั่งนี่มีในสมาธิปรากฏมีชายร่างดําใหญ่โตถือไม้กระบองมาจะมาก็มาเหมือนกับว่ามาดูท่าทีท่านก็แผ่เมตตาเขาบอกว่า เ, ออเราไม่ได้มาเบียดเบียนคุณนะเราไม่ได้มาขับไล่สายส่งไม่ได้มาแย่งอะไรของคุณไปคนมีอะไรคุณอยู่อะไรทาไปเราเพียงแต่มาขอนั่งสมาธิทําใจให้สงบเท่านั้น ท่านกาอธิบายเ็าฟังเขาก็ไปแล้ววันต่อมาเขากลับมาเขาก็มาทักทายเขารู้ว่าเราไม่ได้มาเป็นภัยอะไรกับเขาอันนี้ท่านเล่าให้ฟังอาจารย์ตรงนี้ท่านชอบมีเห็นอะไรนั่งสมาธิแล้วท่านจะเห็นกายทิพย์เห็นอะไรท่านก็มาเล่าให้ฟังนี่ก็คือวิธีแผ่เมตตาเหมือนกันถ้าเราเจอจริงๆเราก็ต้องแผ่ แต่ถ้าเรายังไม่เจออะไรนั่งอยู่คนเดียวสวนวนเสร็จไหว้พระเสร็จจะเลิกก็แผ่เมตตาอันนี้ยังไม่ได้แผ่แต่เป็นการฝึกเป็นการสอนใจให้รู้จักการแผ่ว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาที่มีเหตุการณ์ปรากฏขึ้นมาเช่นเวลาใครทำให้เราโกรธเราก็ให้อภัยเราอย่าไปทำร้ายทำลายเข้าของเงินทองหรือไปทำอะไรให้เขาเสียหายอย่าไปโต้ตอบถ้าเรามีอะไรที่เหลือเราก็แบ่งให้เขาบ้าง สกส อ, อ, สอนีแปลว่าอะไรส่งความสุขใช่ไหมีใหม่เราก็ซื้อของฝันให้กันนี่แล้ว่าแผ่เมตตาเวลาพบปะกันก็ทักทายกันถามสาวทุกสุขดิบมีความห่วงใยกันนี่ก็แผ่เมตตาอยากให้ถามสบายดีหรือนี่ก็แผ่เมตตาเพราะเราไม่อยากให้เข า, าเจ็บใข้เจ็บทางกายหรือเจ็บทางใจอย่าให้เขาสบายสบายกายสบายใจ ถ้ารู้ว่าเขาไม่สบายก็พอจะช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาอันนี้ต้องทําตอนที่เกิดเหตุการณ์แต่ตอนที่ไม่เกิดเหตุการณ์ก็ให้คอยเตือนใจสอนใจว่าเราต้องเราต้องทําอย่างนี้นะเวลาที่เราไปเจอเหตุการณ์จริงอันนี้คือเจตนาของการสวดแผ่เมตตาเพื่อเตือนใจสอนใจเรียกถ้าผู้ตามภาษานักเรียนก็ทาการบ้านไว้ พอเวลาจะเข้าห้องสอบจะได้ทําได้ถ้าเราไม่เตรียมตัวแผ่เมตตาไว้ก่อนเพราะเวลาเจอเหตุการณ์เราก็จะแผ่ไม่ออกพอใครก็ทําอะไรพูดอะไรไม่ดีไม่ถูกใจเราเราก็จะโกรธเขาละแต่ถ้าเราเคยสอนว่าอย่ากโกรธนะให้อภัยนะอพอเราจะโกรธปับ๊บมันก็จะมาเตือนเราว่า เ, เราต้องแผ่เมตตาเราต้องให้อภัยกันเวลาเราจะไปทําร้ายเข้าของทําร้ายร่างกายเขาเราบอกเอ้ยเราไม่ต้องการทําอย่างนี้นะ เราไม่ต้องการเบียดเบียนกันอันนี้คือการสวดแผ่เมตตาเป็นการสอนใจเป็นการเตือนใจเพราะเวลาเราไปเจอข้อสอบเราจะได้ทำได้ถ้าเราไม่ทำการบ้านเดี๋ยวไปเจอข้อสอบแผ่ไม่ออกเพราะไม่รู้ว่ า, าต้องแผ่ก็จะเอาแต่ความโกรธความเครียดแค้นอาฆาตปราบารออกมาใช้แทน แล้วประโยชน์ที่จะได้รับจากการแผ่เมตตา ก, ก็ไม่ใช่ใครเราตัวเราเองนี่เได้ประโยชน์เวลาเราโกรธแล้วเราแผ่เมตตานี่เราหายโกรธนะถ้าเราเวลาโกรดนี่ไม่หายโกรดนี่ทําอะไรไม่มีความสุขเลยใช่ไหมกินไม่ได้เพาะไม่หลับแต่ถ้าเราให้อภัยได้ยกโทษให้เขาได้ไม่ถือสาไม่โกรธเคืองความโกรธก็หายไปใจเราก็สงบเย็นสบายมีความสุขเวลาเราให้อะไรเข้าไปนี่เรามีความสุขไหม มีข้าวมีของแบ่งให้กับคนอื่นเข้าไปเรามีความสุขเนี่ยการแผ่เมตตาความจริงทําเพื่อเราไม่ได้ทำเพื่อผู้อื่นหผู้อื่นเขาได้รับผลพลอยได้คือเขาก็จะได้ไม่ถูกเราไปทุกไปตีไปทําร้ายแต่เราเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงใจเราสงบแล้วเราก็จะไม่มีศัตรูด้วยถ้าเราเกิดไปทําร้ายเขาเขาก็จะกลับมาทําร้ายเรา มันก็จะทำร้ายกันไปทำร้ายกันมาแล้วมันก็จะเป็นศัตรูกัน mm hmm. จะอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้คือประโยชน์ของการแผ่เมตตาี้เราเนี่ยแหละเป็นผู้ได้มากกว่าคนที่เราแผ่ให้คนที่ให้เขาก็ได้เหมือนกันแต่เราได้มากกว่า mm hmm. เราได้ความสงบเราได้ความสุขเราได้มิตรภาพ mm hmm. เราไม่ได้ศัตรู พระพุทธเจ้าถึงแสดงอ น, นิสง์ของผู้มีเมตตาว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่ตายด้วยสัตรวุ์หรืออายาพิษเพราะจะไม่มีใครมาฆ่าเราไม่มีใครมาวางยาพิษเพราะเราไม่มีศัตรูกับใครเราไม่เป็นศัตรูกับใครแล้วก็จะมีความสุขทั้งขณะที่ตื่นและหลับเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายเวลาตายไปก็ไปสู่สุคติไม่ไปอบาย นี่คือประโยชน์ของการแผ่เมตตาเราจะทำให้โลกเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าทุกคนมีความเมตตารับรองได้ว่าไม่มีสงครามสงครามทุกวันนี้เกิดขึ้นจากการไม่มีความเมตตาฟ <c oughs> ันต่อฟันตาต่อตาใช่ไหม เ, เขาทำเราเราก็ต้องทำเขาเนี่ยระเบิดกันตูมตางก็เพราะเนี่ยไปทาเขาเขาก็กลับมาทาเรา ก็มาทําเราแล้วก็ไปทําก็ต่อมันก็ทํากันไปอย่างเงี้ยไม่มีวันสิ้นสุดมันฆ่ากันมาไม่รู้กี่กี่ช่วงอายุของคนละนั่งกี่ร้อยปีมาแล้วคนก็ฆ่ากันอย่างเงี้ยเพราะไม่มีความเมตตาเพราะไม่รู้จักแผ่เมตตากันคําถามข้อต่อไปจากคุณฤทธ์นะครับการต่อสู้กับกาม m a กามาลาคะโดยพิจารณาอาสุภะและพิจารณาว่าร่างกายไม่คงที่เป็นไตลักได้ผลครับได้ผลมาได้ระยะหนึ่งแต่มันก็ยังผุดความอยากขึ้นมาแต่น้อยลงครับคือโดยประมาณมันจะหายไปเลยไหมครับโดยพอมีระยะเวลาที่บอกได้ไหมครับก็ทุกครั้งที่มันยังขึ้นมาเราก็ต้องใช้อสุภะต่อไปเหมือนกินยา ถ้ายังไข้ยังไม่หมดก็กินมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอไข้หมดก็ไม่ต้องกินยาถ้ายังมีการมาลาคะอยู่ถึงแม้จะเบาลงไปถ้ามันโผล่ขึ้นมาก็ต้องใช้อาสุภะต่อไปใช้ไปทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมาเหมือนกับที่ทุกครั้งที่เราอยากจะสูบบุเลยแล้วบอกว่าสูบแล้วเป็นมะเร็งนะต่อไปมันก็จะเลิกสูบเองอันนี้ก็เหมือนกันถ้ายังไม่ตายก็ต้องกินยาต่อไปกินไปจนกว่าเชื้อโรคมันจะตาย พิจารณาอสุภะไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดเมื่อมันหมดแล้วก็ไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องใช้อสุภะคำถามจากคุณจิตนะครับคนเราเกิดมาระบุเป็นหญิงหรือชายเกิดจากกรรมหรือเกิดจากการกระทาใดคะก็เกิดจากความอยากคนเรามีความอยากไม่เหมือนกันใช่ั้ยบางคนก็อยากผู้ชายบางคนก็อยากผู้หญิงอยากจะได้ผู้หญิงก็เป็นผู้ชายใช่ไ อยากจะได้ผู้ชายก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงก็อยากได้ผู้ชายผู้ชายก็อยากได้ผู้หญิงเห็นเพศมันเกิดจากความอยากว่าเราอยากได้อะไรถ้าเราอยากเป็นพระก็ไม่ได้เป็นเราก็เราก็เป็นเหมือนไม่มีเพศกลางๆเหนุทุกอย่างมันเกิดจากกิเลสที่เราเป็นอะไรต่างๆนี้เกิดจากกิเลส คำถามจากคุณสิทธิวัดป่านะครับเวลาทําบุญด้วยความเต็มใจแล้วทําไมเราถึงไม่สบายใจครับกับความเมตตา อ, อ๋อแต่ไม่รู้เหลยคุณไม่ไนดะ้ <c oughs> บอกรายละเอียดว่าคุณ <c oughs> ทําเต็มใจค <c oughs> จริงถ้าทําเต็มใจมันก็ต้องมีความสุขเลยใช่อหมถ้าทําความเต็มใจแล้วไม่สบายใจอาจเฉพาะเสียดายหรือเปล่า <c oughs> เสียดายเงินที่ทําไปหรือเปล่า <c oughs> บางคนเนี่ยมามีคนมาเล่าให้ฟังว่า มีคนมาเดือนร้อนมาขอยืมเงินตอนที่เขามายืมเงินก็สงสารให้เขาไปเลยแล้วพอหลังจากนั้นมันน่าคิดเฮ้ยเรากูจะได้คืนหรือเปล่าพอคิดนี้ไม่สบายใจลนะถ้าให้เขาไปแล้วอย่าไปหวังเอาคืนเออคิดว่าเป็นการทําบุญไปแล้วแล้วอย่าไปดูว่าเขาทําอะไรหรือเปล่าเยอาจจะไม่สบายใจเพราะว่าให้เงินเขาไปแล้วเขาอาจจะไม่ไปทําตามที่เราบอกที่เขาบอกก็ได้ก็เลยไม่สบายใจ อย่าอย่าอย่าถ้าเราให้อะไรไปแล้วถือว่าจบเขาจะเอาไปทําอะไรเขาจะกินจะใช้เอาไปให้คนอื่นหรือเขาจะไม่ทําอะไรมันเป็นเรื่องของเขาก่อนที่เราจะให้คิดให้ดีก่อนแต่เราคิดดีแล้วเรามีความมั่นใจแล้วพอใจแล้วเราก็ทำไปเลยแล้วไม่ต้องไปติดตามบางคนมาคอยดูว่าหลวงพ่อกินของฉันหรือยัง <c oughs> <c oughs> ออไม่กินก็เสียใจ <c oughs> อย่างนี้มันทาบุญจะทาให ไม่สบายใจได้คําถามชจุ้ณสิริวัล น, นะครับอยากทราบว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าการพิจารณาหัวข้อธรรมเช่นเรื่องการพิจารณากายเรารู้ตามเห็นจริงไม่ใช่เกิดจากความจําจากการอ่านหรือฟังในเบื้องต้นคะเออต้องรอตอนที่เรามีข้อสอบเนี่ยตอนที่เราพิจารณานี้เรายังไม่ได้เข้าห้องสอบเราเพียงแต่ทําการบ้านเช่นพิจารณาว่า สามีนี่ไม่ได้เป็นของเราภรรยานี่ไม่ได้เป็นของเราแต่ตอนนี้เขายังเป็นของเราอยู่เราก็เลยยังไม่รู้สึกว่ามีอะไรกระทบกระเทือนใจเราใช่ไมัมกระกลับเลยตามสบายเ <Thank you. S 1> มื่อกี้พูดถึงไหารลืมไปละ <c oughs> เรื่องให้ของใช่หให้ของไปแล้วเราก็อย่าไปสนใจ <c oughs> เราให้ไปแล้วเราก็ถือว่าจบเราทาหน้าที่ของเราแล้ว เราอยากจะช่วยเขาเดือนร้อนเขามาขอความช่วยเหลือเราเราก็ต้องคิดให้รอบครอบก่อนถ้าอยากจะได้เงินคืนเราก็ต้องให้เขามีอะไรมาเป็นของประกันไว้แต่ถ้าไม่มีของประกันเรายังอยากจะช่วยเขาก็คิดว่าทำบุญไปก็แล้วกันเขาจะคืนเราหรือไม่คืนเราก็เป็นเรื่องของเขาเขาไม่คืนเราก็ได้บุญถ้าเขาคืนเราก็ได้เงินคือเราได้ทั้งสองอย่างคิดอย่างนี้มันก็จะสบายใจ คำถามจาคุณกอลน์นาดนะครับผมสวดมนต์โดยใช้บทสวดที่ผมเคยบวชทําวัดเย็นนั่งสมาธิกําหนดพุทโธตามที่เคยบวชในเวลาที่ว่างมีโอกาสไม่ได้ทุกวันตามที่เคยบวชโดยอย่างน้อยกําหนดวันพระเป็นหลักช่วงเวลาดึกๆไปไม่ผิดใช่ไหมครับคือสวดตอนไหนก็ได้แล้วแต่เราจะสะดวกจะสวดเมื่อไหร่ก็ได้สวดได้ทั้งวันเลย มีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็สวดไปเพราะเป็นการฝึกสติเป็นการเจริญสติเป็นการหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆเดี๋ยวขอตอบปัญหาก่อนข้อก็เมื่อกี้หน่อยที่ยกตัวอย่างว่าเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาเจริญปัญญาแล้วเขาได้ผลหรือไม่ได้ผลมันต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นเราพิจารณาว่าภรรยาสามีนี้ไม่ได้เป็นของเราเป็นของเราชั่วคราวเราก็ต้องรอดูตอนที่เขาจากเราไป ด้วยเหตุผลอันใดอันหนึ่งถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเฉยๆเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเขาต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งถ้าเรายังทุกข์ยังเสียใจนี่แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญาพอ <Yeah. S 1> ปัญญามันจะเกิดก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์มันจะเห็นคุณของปัญญาก็ตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาตอนที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ก็เป็นการเหมือนกับการ สรใจให้เตรียมตัวเตรียมใจเหมกับการแผ่เมตตานี่แหละเราต้องเตรียมไว้ก่อนสอนใจไว้ก่อนหรือถ้าเป็นนั่งมวยก็หัดชกกระสอบทรายไว้ก่อนพอเราขึ้นเวทีเราจะได้ชกได้ถ้าเราไม่ซ้อมเลยพอขึ้นไปก็โดนคนน็อกเราต่อยเราเราสู้เขาไม่ได้เพราะเราไม่ได้เราไม่ได้หัดต่อยอันนี้ก็เหมือนกันคู่ต่อสู้ของเราก็คือกิเล อุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่คิดว่าเป็นของเราแล้วจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ว่าพระเจ้าบอกไม่มีอะไรเป็นของเราที่จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งจะต้องมีการพลาดผ่าเจากกันนี่เราสอนเพื่อให้เราฝึกใจให้ปล่อยวางให้เตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ถ้าเราซ้อมไว้ก่อนพอเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราก็จะเฉยๆรู้แล้วมันจะต้องเกิดนี่เราถึงจะรู้ตอนนั้น ดูตอนที่เราพบกับเหตุการณ์พบกับเวลาที่เจอของที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาแล้วดูซิว่าเรามีปัญญาที่จะดับความทุกข์ได้ไหรือไม่คําถามจะคุณพักสกอรนะครับการโกหกให้คนทําความดีจะบาปไหมครับบาปทํำท า, าโกหกมันก็บาปทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะใช้ได้ใช้ได้บางครัง้งบางคราวเพื่อประโยชน์ของ ของผู้อื่นแต่ผู้โกหกก็ก็ถือว่าโกหกอยู่ดีแต่เช่นมีนิทานเล่าให้ฟังแม่กับลูกในแม่ไปพาลูกไปหาหาปาหลาไหลในในบึงแม่เห็นปาลาไหลแม่ก็จับจับเอาลู ก, กเป็นแม่จับปาลาไหลก็จับแต่ไปจับงูเข้าพอแม่เห็นเข้าตอนต้นแม่ก็ตกใจแต่แม่ก็ได้สติก็บอกว่าดีดีลูกไอ้ตัวนี้ดีนะ จับให้แม่นนะอย่าปล่อยมันนะ mm hmm. ถ้าแม่เกิดตกใจบอกให้เป็นงูหนูอย่าไปจับปล่อยมันนะเดี๋ยวมันก็กาดเอาเย mm hmm. โกโหกแบบนี้ไม่เป็นไรแต่แม่ก็โกหกอยู่ดีแต่โกหกแบบนี้ ม, มีเหตุมีผลท่าเนเรียกว่ากุดสโลบายกแต่นานๆ ม, มันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้สักครั้งหนึ่งอย่าไปหาช่องมาโกหกเลยถ้าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูดท่านั้นมันก็ก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหน ใช่ไหมอย่าเสียงดีกว่าเพราะเราไม่มีปัญญาพอที่จะมาใช้ใช้การโกหกเป็นกุศโลบายได้ส่วนใหญ่มันจะเข้าข้างตัวเองมากกว่าเปล่าครับคุณเอาของผมไปหรือเปล่าเปล่าครับกว่าโทนี่โรมมโอ บ, บอกว่าควีเช่นอันเซ v e r ว clear คลีคยอาจารย์ดีมากโอเคคำถามจากคุณทัก ปัฏฐานะครับการหลับตานิ่งๆจะให้ผลต่างกับการเจริญสติปัฏฐานอย่างไรคะก็หลับตานี่ไม่ได้ทําให้จิตนิ่งหลับตามันก็ไม่เห็นภาพแค่นั้นเองการจะทําให้จิตนิ่งต้องมีสติควบคุมความคิดต้องมีพุโทโธพุโทโธหรือมีการดูลมหายใจเข้าออกมีอะไรอย่างหนึ่งคอยควบคุมใจไม่ให้คิดหรือจะสวดมนต์ไปก่อนก็ได้หรือฟังเทศไปก่อนก็ได้มันก็จะทําให้เราไม่ได้คิดเรื่องราวต่างๆ ใจก็จะสงบได้แต่มันก็มีความสงบหลายระดับนะงเทศมันก็เบางสงบลงหน่อยส่วนมนุษก็สงบลงอีกหน่อยพุทโธก็อาจจะสงบได้เต็มที่านมันมีหลายหลายชั้นด้วยกันเหมือนขับรถมันมีหลายเกียร์เกียร์1เกียร์สเกียร์สนี่มันมีความเร็วไม่เท่ากันการจะทำให้จิตสงบอย่างเต็มที่นี่ต้องอยู่กับเรื่องเดียว พุโทโธอย่างเดียวแล้วดูลมอย่างเดียวเนี่ยมันถึงจะรวมได้อย่างเต็มที่ถ้ายังสวดมนอยู่ยังฟังเทศอยู่นี่มันจะไม่รวมแต่มันจะไม่ฟุง้งซ่านคําถามจากคุณโสภิตนะครับตอนนี้เพื่อนกลัวเป็นมะเร็งตอนนี้เพื่อนกลัวเป็นมะเร็งลูกเลยให้เขาพิจารณาความตายจะใช้ได้ไหมคะถ้าไม่ได้ใช้ทำข้อไหนคะในการระงับความกลัวความกังวล ก็ถ้ายัางใช้ยอมยอมรับความจริงไม่ได้ก็ต้องใช้สติไปก่อนให้อย่าไปคิดถึงถึงเรื่องเป็นโรกมะเร็งหรือเป็นอะไรให้พุโทโธพุโทโธทำใจให้สงบไปพอใจสงบความกลัวก็จะหายไปแล้วพอใจสงบแล้วก็อาจจะมีกำลังที่จะมองความจริงได้ถ้าใจยังไม่สงบนี่กิเลสมันไม่ยอมให้มองความจริงพอคิดถึงความจริงมันจะกลัวมันจะเครียดขึ้นมาทันที ดนขั้นต้นถ้ายัางสอนใจด้วยปัญญาไม่ได้ก็ต้องทําใจให้สงบด้วยสติก่อนให้ใจสงบให้ใจลืมเรื่องความความตายความเจ็บไปก่อนแล้วพอใจสงบแล้วค่อยสอนใจให้มองความจริงว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้ร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราห้ามมันไม่ได้มันเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปกับมันให้ใช้ปัญญาแยกแยะ ก, ก่อนแยกแยะว่าผู้ที่ตายนี้ไม่ได้เป็นเรา ผู้ที่เจ็บนี Anyways, oneself, mm ่ไม่ได้เป็นเราเป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นของพ่อแม่ให้เรามาเป็นของขวัญเราเป็นผู้รับของขวัญเราไม่ได้เป็นร่างกายเราจะไปเป็นร่างกายได้ไงเมื่อเราเป็นผู้รับของขวัญใช่ไหมเราไม่ได้เป็นของขวัญของขวัญที่เรารับมาเดียวมันก็เสียใช่เช่นพ่อแม่ให้รถมาขับเงี้ยเราขับไปเดียวรถมันก็เก่ามันก็พังแต่คนขับไม่ได้พังไปกับรถ แต่ในร่างกายนี่ก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่พ่อแม่ให้กับเรามาให้ยากยะด้วยปัญญาแล้วพอเห็นว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราก็จะเบาใจเราก็จะไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บคําถามเจ้าคุณสิทธิกรนะครับปฏิบัติแล้วพบรู้ที่ว่างอยู่ควรทําอย่างไรต่อครับก็ <c oughs> ให้รู้ให้ว่างไปนานๆอย่าให้ทําอะไรให้มันมีความจริงเท่ ถ้ารู้จริงว่างจริงมันจะมีความสุขมากมันจะไม่อยากมันจะไม่อยากออกจากสภาพนั้นไปแต่ถ้ารู้ว่างแบบคิดนี้มันก็ยังยังไม่ได้เรื่องยังเป็นจินตนาการอยู่มันต้องเป็นความจริงเป็นความสงบจริงๆแล้วมันจะมีความสุขมากแล้วมันจะไม่มาถามว่าจะให้ทํำยังไงมันก็จะรักษาไว้ท่านเองอยากจะให้มันสงบไปนาน อยากให้มันว่างมันรู้อย่างนี้ไปนานๆเพราะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขเท่ากับความว่างนี้ได้คำถามชกิจดารานะครับถ้าโยมถวายข้าวสารเดือนละหนึ่งกระสอบแก่โรงครัวที่วัดแล้วโยอมอุทิศให้แก่ผู้ร่วมรับได้ไหมเจ้าคะหรือว่าต้องเป็นอาหารพร้อมฉันเท่านั้นผู้ร่วงรับถึงจะได้รับ อ, อ๋อได้ทุกอย่างของที่เราถวายเรือบริจาคไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นเงินทองเข้าของนี่เราอุทิศให้กับผู้รองรับไปได้มันเป็นบุญคำถามจากคุณชวนนะครับพระเครื่องวัตถุมงคลมีพุทธคุณปกป้องคุ้มครองผู้บูชาได้จริงหรือเปล่าครับไม่มีหรอกว่าเป็นวัตถุอย่างหนึ่งเพียงแต่ความเชื่อท่านเองเชื่อแล้วมันก็ทำให้มีความมั่นใจขึ้นมาแต่มันไม่มันไม่สามารถทำปกป้อ ง, อ ง, องคุ้มครองเราได้หรอก หน้าที่ของวัตถุมงคล น, นี้เป็นเพียงให้เราได้เราเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่าทนั้นเองให้เราไม่ลืมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เราเชื่อและให้เราปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือเจตนารวมของการมีวัตถุมงคลเช่นพระพุทธรูปต่างๆเพื่อเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติแต่ไม่สามารถมาปกป้องคุ้มครองร่างกายของเราได้หรอก ร่างกายของแม่แต่พระเองยังต้องตายเลยร่างกายของพระเจ้าก็ยังต้องตายเวรกรรมที่พระเจ้าเคยมีก็ยังต้องรับใช้เวรกรรมเทวทัตมาปองร้ายก็ต้องก็ต้องเจอพระโมคคัลลานะก็ต้องถูกเขาฆ่าตา ย, ยเรื่องของวิบากกรรมนี้ไม่มีใครไปห้ามมันได้คำถามหมดแล้วใช่ไหมหมดครับพระาอาจารย์อ อลองดูออกหน่อยคำถามจาคุณกันกันพรนะครับมีบางคนเขาจะพูดว่าเขารักษาสีนห้าแต่จริงๆแล้วเขาปฏิบัติตัวแบบถือสินแปดเพื่อที่ว่าเวลาผิดสีนจะได้ผิดแค่สีนห้าแบบนี้ถูกต้องหรือ ไ, ม, ไม่ครับหมายถึงถ้าเขาผิดสินข้ออื่นอย่างน้อยเขายังได้รักษาห้าข้อนี้ได้ใช่ครับก็บางทเาีเขาเป็นคนแบบมากน้อยไงไม่อยากจะ อ, อ้ออวด พูดว่ารักษาสี่แปดแล้วเดี๋ยวมันเกิดขาดข้อนั้นข้อนี้ไปก็ยังไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดไม่ได้เป็นไปตามที่พูดแต่ถ้าพ่อรักษาศี่ห้าเขามั่นใจว่าอย่างน้อยสี่หข้อนี้เขารักษาได้ส่วนอีกสข้อนี้ก็อาจจะเผลอบ้างเลือขาดบ้างเขาก็ไม่อยากจะบอกว่าเขารักษาศี่แปก็ได้อันนี้เขาก็เรื่องของเขาอ่ะคือเขาจะบอกไม่บอกมันก็อยู่ที่การรักษาของเขาเป็นหลัก แล้วก็รักษาได้เขาก็ได้ประโยชน์ถ้ารักษาไม่ได้เขาก็ไม่ได้ประโยชน์เท่านั้นเองคำถามข้อสุดท้ายนะครับจากบุญป้อมนะครับทําอย่างไรจึงจะระ ง, งับความโกรธได้ตอนนี้ลูกใช้วิธีนิ่งไม่โต้อตอบแต่ในใจมันร้อนมากค่ะก็ต้องใช้พุโทโธใช้สติอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์หรือคนที่ทําให้เราโกรธท่องพุโทโธพุโทโธไปแล้วพอเราดืมความโกรธก็จะหายไป ถ้าอยากจะให้ความโกรธนี่ไม่เกิดขึ้นมาอีกเลยเราก็ต้องไปหยุดที่ต้นเหตุของความโกรธต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยากอยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้พอเขาไม่ทําเราก็โกรธแต่ถ้าเราไม่อยากเราไม่มีความอยากให้เขาทาอย่างนั้นทาอย่างนี้เราก็จะไม่มีวันโกรธเขาอ่ะนี่คือวิธีแก้อย่างถาวรแต่ถ้าแก้แบบชั่ว Alert, คราวก็ใช้จิตพุทธโธไปสวดวนไปอย่าไปคิดถึงเหตุการณ์หรือคนที่ทําให้เราโกรธ